ว่างจากตัวตนโลกไม่ตามใจเราเพราะโลกไม่ได้ค่าจ้างให้เอาใจเราและเพราะเราหาได้สร้างโลกมากับมือร่างกายไม่ตามใจเราเพราะเราไม่ได้ออกแบบร่างกาย และเพราะกายถูกสร้างขึ้นอย่างมีเงื่อนไขหลายชั้นสุขทุกข์ไม่ตามใจเราเพราะเราไม่อาจบัญชาสิ่งกระทบตาหูและเพราะหูตาไม่อาจเล็งแหลงเงียบฟังสิ่งเดียวได้นานเกินความจำไม่ตามใจเราเพราะเราไม่ใช่ผู้เตรียมลังเก็บความจำ และเพราะลังเก็บความจำเต็มไปด้วยรู้ร่วความนึกคิดไม่ตามใจเราเพราะเราไม่อาจคิดนึกโดยปราศจากสิ่งกระตุ้นและเพราะสิ่งกระตุ้นต้องสับเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดวันดวงจิตไม่ตามใจเราเพราะเราไม่รู้เหตุแห่งการมีจิตและเพราะเหตุแห่งการมีจิต พิสดานดุดมายากลเกินเดาสับพสิ่งเป็นสมบัติของความแตกพังขอเพียงตั้งใจฟังให้ดีทุกที่มีเสียงแห่งความร่มสลายความตายคือบทพิสูจน์เคยคิดพูดทำแค่ไหนก็หายหุนตัวตนที่แท้จะหามาแต่ทิศใด ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะไม่มีใครได้อะไรมามีแต่ทุกคนเสียอะไรไปเมื่อว่างจากอุปสรรคจะรู้จักความรู้สึกแสนดีที่ไม่ทําเพื่อตัวเองรู้สึกดีไม่ได้ทําดีหวังอะไรเมื่อว่างจากความดีที่มีหวัง จะรู้จักความว่างจากตัวตนเมื่อว่างจากตัวตนความว่างอันเป็นอมตะจะปรากฏ